พระธรรมเทศนาแผ่นที่81ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12กันยายน2558รมีชื่อเรื่องว่าอุทิศบุญให้บรรพชน เออเร็วๆนะพระใหญ่ช้านะงมงามงงงามนะไม่ใช่หลวงพ่อเห็นเงนื่นในนะไม่หาเยือนคุยกันทําไมไม่ใช่เวลาคุยนั่นนี่นะประจํำที่พระประจํำที่มันช้าอยู่ทําไมวะมันไม่เหมือนศาลาข้างนอกข้างในนะจุดนี้มันมองเห็นนะองค์ไหนเซ่อเซ่อเงอะเงะเ ง, ง, งมันมองเห็นอยู่นี่นี่วะไปช้าไม่ได้นะ ทำไมไม่น his his atiques, ั่งประจําที่ว่าประจําที่คืออะไรทําไมมันช้าว่ะเห็นมวลลงพอหายลูกลงพอเนี่ยต่อไปมันพวกนี้มันจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปไพ่พังนาเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าเงงเงงเงงเงงเงงเงงเเงงนไม่ใช่เป็นไดเรกอย่างมันต้องเข้มแข็งตัวผู้ที่จะเป็นหัวหน้า โม่เน่ยมันต้องบูดูเดี๋ยวนี้รู้จักแล้วว่าใครจะเป็นหัวหน้าได้ต่อไปภายภาคหน้านะเออมันมองดูเดี๋ยวนี้น่ะมันมีแววใช่ไหมเบมือนกับลูกของเราเน่ะถ้าล like no, ูกของเราคนไหนมีแววล้วรู้เลยว่าไงเถ่ะแต่ลูกของเราเงอะเงกะงอะมันเป็นหัวหน้าโม่อะไรดอกไอ้นี่เขาจะว่าจังวะเนี่ยวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสอง กันยายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันพระแรม14ค่าเดือน9ดับนะพอเดือน9ดับเดือนนั้นเป็นเดือนขี้มันก็ต้องดับ14แต่วันอุโบโสถของพระเป็นวันพรุ่งนี้เที่ยงนะพวกกูบาทั้งหลายอย่าได้บอกอกันให้บอกกันให้ทั่วถึงอย่าได้คอยกัน วันอุโบสถที่อย่างวันพุ่งนี้แล้วก็วันพรุธนี้จะมีการบวชพระตอนเช้าองค์หนึ่งอยู่ข้างในนั่นแหละพอฉันจังหารเสร็จแล้วก็มีจะมีการบวชพระองค์หนึ่งแล้วก็วันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งทางอีสานเหนืออีสานบนของพวกเราเป็นวันทาบุญอุทิศสวนกุศล อย่างที่ทายกได้กล่าวคำกล่าวคำถวายทานที่จบลงก่อนที่จะนำแจกอาหารทายกได้ถวายทานก่อนแล้วก็ได้กล่าวคำถวายทานอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กินได้ฟังแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางอีสานเหนือของพวกเราคือเป็นวัน ทำบุญข้าวประดับดินตั้งแต่โบราณโบราณนักการถ้าหาว่าเป็นสังพี่น้องแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนก็คงจะว่าเป็นวันศาสตร์เป็นวันลำเลิกถึงผู้มีพระคุณอันนี้ทางอีสานของพวกเราพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาพวกเราก็ได้พร้อมกันทําบุญอุทิศ ส่วนกุศลต่อผู้มี อ, อุปกรณคุณคือปีหนึ่งที่พวกเราล้ำลึกถึงมีอยู่สองครั้งคือครั้งนี้คื อ, คอเดือน9ดับแล้วก็ครั้งที่2เป็นเดือน10เพนเดือน10เพนคือในพรรษาคือวันพระหน้าเนี่ยแนหะคือเป็นวันพระ15บ่ําหน้าเนี่ยเดือน10เพนเดี๋ยวนี้เดือน9ดับพอคืนเก้าดับแล้วก็ขึ้นอีก8ปดค่ำเดือนขึ้น8ดค่ำกั ขึ้นสิบห้าข้ามก็ใช่ละอ่าอีกคือสองอาทิตย์จากนี้ไปก็เป็นการทําบุญเหมือนกับวันนี้แหละอ่าเป็นการทําบุญอุทิศสวนกุศลในพในพรรษาเป็นการทําบุญทำบุญถวายฉลากระพัดอ่าคือพวกเราพี่น้องประชาชนรวมกันแล้วก็ถวายอาหารพัฒหารพระสง์ไม่จําเพาะเจาะจงอ่าสุดแท้แต่องค์ไหนจะได้ ถูกฉลากที่พวกเราถวายอันนั้นก็คือคนโบราณเขาทําแต่พอมาถึงวัดของเราก็ทวดถึงกันนี่แหละเพราะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจึงจะจับฉลากไม่จับฉลากพวกเราก็ตักบาตรให้ทวดถึงกันอยู่แล้วและกับอาหารก็เป็นที่เพียงพอเหลือเฟือสําหรับพี่น้องประชาชนมาตักบาตรเพราะนั้นวัน ถึงจะเป็นยังไงกับพวกเราก็ควรจะเป็นวันที่ว่าวันฉลา ก, กรพัดคือเป็นวันทำบุญ เ, เมื่อถวายฉลา ก, กระพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะได้ถวายอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณอีกรอบนึ่งาบางทีก็อย่างที่ว่านะาวันนี้พวกเราได้ทําบุญไปแล้วแต่พวกญาติพี่น้องของเราอาจจะตกค้างอาจจะไม่ได้รับข่าวจะต้ เออพอไปอาจจะคุยเออพวกวิญญาณทั้งหลายอาจจะหลงลืมคุยกันเออพวกเราทําบุญนิชิตส่วนกุศลเสร็จเรียบร้อยแล้วเออญาติผู้ที่ได้ไปรับไปแล้วไปบอกข่าวอ้าไม่ได้ไปรับส่วนบุญส่วนกุศลจากเอพี่น้องเหรอเอยโอ้ลืมไปเนี่อพอข่าวหน้านี่นะหงข่าวหน้าเนี่ยอดวงวิญญาณเหล่านั้นก็คงจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน เดือน10เพนเนอะพี่น้องศรัทธาญาติโยมาการทําบุญวุทิศส่สวนกุศลนะดีทั้งนั้นแหละถ้าเราทําชั่วก็ชั่วทั้งนั้นแหละถ้าเราทําดีจะชั่วได้อย่างไรวันนั้นพวกเรากในานทีในพรรษาเนี่ยจะมีอยู่สองครั้งคือวันเดือน9้าดับกับวันเดือน10เพนจากนั้นก็เป็นวันออกพรรษาละเทนี่วันออกพรรษาขอโค้งจะทําบุญอย่างวันนี้ละ่ะวันตักบาตรเทโวที่พระพุทธเจ้า สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาววดึงเอ่อแล้วก็พี่น้องประชาชนเ <c oughs> มืองสมัยนะั้นก็ตักบาทพระพุทธเจ้าวันตักบาทเทโว เ, เมื่อออกพรรษาไปแล้วกรถินของเรานะปีนี้ปีนี้นะ่พี่น้องลูกหลานสัต ย, ยาญาติโยม เ, เป็นกรถินสามัคคีวันที่8ปพฤศจิกายนาพุทธศักราช2558เนี่ยนะ ปี58ของเราเนี่ยกรถินปีนี้รู้สึกว่าแต่ปีก่อนๆพวกเราจะทําหลังบ้านตาดวันหนึ่งวันบ้านตาดออกพรรษาแล้วท่านจะทําทอดกรถินวันเสาร์แต่พวกเราในวันอาทิตย์แต่ปีนี้จะพิเศษสักหน่อยเลยไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะแล้วเราจะทําบุญวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน จำเจ้าไม่เนะิ่ลูกหลานเนะ ผ, ผู้อยู่ทางไกลผู้มาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก่อนี่ยนหะลวงพอ่อเพียงแต่แจ้งข่าวข่าวให้ทราบถ้าหังว่าไม่แจ้งข่าวาให้ทราบก็เดี๋ยวขวาหลวงพ่อเอ๊ะทไมไม่บอกไม่กล่าวท่านไม่ให้ความสำคัญกับพวกเร า, เาหรื อ, อยังไงเพราะนั้นหลวงพ่อแจ้งข่าวเนะบอกต่อต่อกันไปเนะี่ลูกหลานเนะถ้าใครมาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะกระถินกับปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวน่แหละอันนี้ก็คืองานที่พวกเราจะเดินไปก็มีอยู่สามงานเนี่ยนะลูกหลานวันเดือนสิบพผ่นและกับวันออกพรรษาและกังานกะถินที่พวกเราเจำนั้นไดมารวมกันอย่างวันนี้แหละมาตักบาทในวันนี้แหละในที่ใกล้ใกล้นี่ก็มีเท่านี้แหละและกัวันนี้เป็นวันสาคัญที่อย่างลูกพ่อได้พูดได้กล่าว เพราะนั้นบนรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราของพวกเราท่านก็เคยทําอย่างนี้มาก่อนทางว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สกนาญาติของเราเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วตายไปแล้วนะพูดง่ายง่ายท่านไปตกทุกข์ได้ยากอย่างไรท่านอาจจะพ้นจาก เ, เป็นเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ชานไปตกนรกไปเป็นเปรตมาแล้วกัอย่างล่องรอยอยู่ พวกเราได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้พวกเราก็ น, น้อมจิตเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาในอดีตไม่ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ละเออเป็นคุณงามความดีในอดีตที่ผ่านม า, ห, ห, ลานหลายหลายวันหลายๆเดือนหลายปีที่ผ่านมาออมาประมวลมาในวันนี้ออถ้าหากว่าญาติพี่น้องของข้าพเจ้าตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในวันนี้ทุกๆ ดวงวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเถินคล้ายๆว่าประมวลมาทั้งหมดถ้าว่าพวกเราข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีในอดีตหลายๆเดือนหลายๆปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเป็นบุญอันไหนก็ตามเป็นบุญเป็นกุศลข้าพเจ้าจะอุทิศส่วนกุศลให้มีท่านมีส่วนร่วมมีส่วนในการทําบุญของข้าพเจ้าทุกอย่างด้วยเถิด คิดในใจนะอันนี้เคอเป็นการอุทิศ ส, ส่วนกุศลทางว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นที่พอที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้เป็นบุญกุศลไม่ใช่ได้ทุกคนนะลูกหลานนะตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหาว่าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานก็ไม่ได้รับถ้าไปตกนรกก็ไม่ได้รับถ้าหาว่าไปสู่สวรรค์กไม่ได้รับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ไม่ได้รับแต่อาจจะมีส่งอาจจะมีส่วนบางคนเออวันนี้ทำไมเราจึงเ อ, อิบอิ่มอิ่มอกอิ่มใจไม่หิวโหอยอะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องอุทิศสวนกุศลให้เราก็ได้แต่จะให้ได้รับส่วนบุญกุศลเหมือนกับเปตญาตที่จังจังจงใจจริ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งๆนั้นคงจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่า ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าั้งว่าเป็นเปรตญาตาิคือเปตะเวทสยัยเปรตอจุลกายที่ล่องรอยตายไปแล้วสวมมติว่าไปตกนรกผ่านจากนรกขึ้นมาแล้วก็ล่องรอยมาคอยญาตาิถ้าหากว่าญาติทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็จะได้รับถ้าหากว่าไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ทำไมได้รับนะถ้าทําบุญเสร็จแล้วก็เราไม่ไม่คิดถึงเขาเลยนะ เขไม่อุทิศใหเนี us, the visible, the ่ยเขาก็ไม่ได้รับเหมือนกันนะเพราะไม่ได้ส่งเอเหมือนกับเราไปทํามาค้าขายเสร็จแล้วนี่ยเราได้เงินมาแล้วก็พับใส่กระเป๋าซะยัดใส่กระเป๋าแล้วก็จบเราไม่ได้แบ่งพี่แบ่งน้องอแบ่งวงศาคณาญาติแบ่งแบ่งแบ่งมิตรสหายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่รู้จักได้ยังไงเพราะเราไม่ได้แบ่งให้เขาออันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะเมื่อเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วเราไม่ได้คิดถึงใคร บุญกุศลก็ไม่ถึงเขาเหมือนกันเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราเห็นน้อมจิตลาลึกถึงอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณสําหรับพวกเราเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอผู้ใดทํากรรมดีเอาไหนเอาไว้ได้รับผลดี ถ้าใครทํากรรมชั่วได้รับกรรมชั่วกรรมชั่วและกรรมดีจะต้องให้ผลกับดวงวิญญาณกับดวงใจของพวกเราทุกคนแต่หัวพวกเรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีธาตุขันยังมีร่างกายอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผล เ, เขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางเพราะเหตุไรเพราะว่าเราทําสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเราทําสิ่งที่ดี เป็นบุญเป็นกุศลไปที่ไหนก็คนก็ยกย่องเชิดชูบูชาเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นดีกับชั่วมองได้มองเห็นได้ชัดนะพี่น้องลูกหลานเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วแปลว่าหลับตาพูดนะแต่ถ้าลืมตาพูดเนี่ยเราจะมองเห็นได้ชัดเจนถ้าใครทํากรรมดีเข้าไปแล้วเป็นยังไงดีถ้าทําสิ่งที่มันไม่ดี เอมันก็เสียหายความชั่วเออก็จะต้องเอาไปลงโทษนี่แหละกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หลวงพ่อยกไว้เกือบทุกครั้งเพราะอะไรเพื่อไม่ให้ลูกหลานคณาสัตยาธิโยมทั้งหลายลืมตัวนะลืมเจ้าของเออลืมถ้าคนลืมเจ้าของนั่นแหละ ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักจต่ําไม่รู้จักดีไม่รู้ จ, กจักชั่วไม่รู้จกัจ ก, จกสิ่งควรไม่ควรไม่รู้จักนรกสวรรค์ไม่รู้จกกรรัจกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วคิดว่าตายแล้วศูนย์ฮะแต่ตายแล้วศูนย์แล้จบอแต่เนีเออมิตเป็นมิตรสาธิฐิอย่างร้อยแรงฮะไม่มีพิษภัยไหนที่น่ากลัวยิ่งกว่ามิตรสาธิตินะพระพุทธเจ้าทานตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนาะ ไหว้พระสวดมนต์ยาเลิมประกอบคุณงามความดีอย่างวันนี้แหละลูกหลานทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะมาแต่วัดหลวงพ่อไม่ใช่ถ้าวาอยู่ก็ไหว้ใกล้วัดไหนวันทาบุญอย่างวันข้าวเดือนสิเพนอย่างที่ว่าน่พวกเราไม่ได้มาโอ้ไม่ได้ไปวัดหลวงพ่อเนี่ยไกลเอาเถอะพวกเราจะทาบุญที่ไหนที่สวนกุศลก็ได้ทั้งนั้นแหละ เ, เพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานให้ทําบุญแล้วก็พร้อมกันพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าเนะืพวกเราท่านทั้งหลายก่อนหลับก่อนนอนควรจะลําลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนก่อนหลับนอนนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าพักิมพิละเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าที่เมืองมิถิลามหานคร ท่านว่าศาสนาของพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยศาสนาของพระพุทธองค์เนี่ยจะทํำยังไงหนอจึงจะยืนยาวพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่ากิบพิละศาสนาของตถาคตเนี่ยฝากไว้กับพุทธบริษัท4คือภิกษุสัมมเณธอุบาสกอุบาสิกานี่แหละภิกษุสัมเนธอุบาสกอุบาสิกาเคารพในพระพุทธเจ้าคือพระ เคารบในพระพุทธเจ้าคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาต้นศาสนาและก็ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของออของเราตถาคตที่ประกาศไปแล้วนั้นให้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายศึกษาและก็เคารพในพระสงฆ์สาวกของเราตถาคตผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นพระริยะสงฆ์สาวก ให้เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เคารพในการศึกษาเกิศึกษาคือใครวะอย่าไปอยู่เฉยๆถ้าเราไม่รู้แล้ต้องศึกษาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ตื่นลึกหนาบางอย่างไรในธรรมคาสอนของพุทธะในท่านสอนอะไรจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นของท่านเอาคืออะไรจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าต้องการต้องพระประสงค์นั่นคืออะไร ตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เรารักเคารพนับถือเรื่อมใสท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยท่านปฏิบัติอยู่ในปา่าดงพงไพ่นนท่านมีความมุ่งหวังอย่างไรอันนี้ก็ให้พวกเราศึกษาเนี่ยเคารพในการศึกษาจากนั้นก็ให้เคารพซึ่งกันและกันให้รู้จักสูงให้รู้จักต่าให้รู้จักพ่ออันนี้คือคุณพ่ออันนี้คือคุณแม่อันนี้คือพี่ป่านาา เอออันนี้ถ้าเป็นพระสงฆ์ก่อนนี้คือครูบ า, าอาจารย์ผู้มีอายุพรรษาสูงผู้มีอายุพรรษารองลงมาและก็ให้เคารพตามอาวุโสพันเตเพวกท่านทั้งหลายถ้ารู้จั ก, จกเคารพคารวะซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เคารพในการศึกษาหมั่นในการศึกษาและให้เคารพในพระสงฆ์ให้เคารพในพระธรรมให้เคารพในพระพุทธเนี่ยศาสนาของเราตถาคตจะยืนยาว อันนี้คือพระพุทธองค์ท่านตรัสอาไว้นะเพราะฉะนั้นพวกเรามาพิจนารณาดูซิท่าว่าพวกเราไม่เคารพพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ไม่มีการศึกษาและอ ย, อยู่ด้วยกันก็คอนเท่าคอนไม้เท่าไม้ไม่มีสู ง, ไ ม, มสงไม่มีต่ําพวกเราคิดดูซิพุทธศาสนาเนี่ยหมดไปเลย hey, เพราะเหตไรเพราะว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่แหละหลวงพ่อจึงบอกว่าก่อนหลับก่อนนอนให้พวกเรากราบ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้ า, าว่าพวกเราจะคิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนคนให้เป็นคนดีถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นในชุมชนของหลัมของเราถ้าหากว่าพวกเราปฏิบัติตามาคำสอนของพทุทธะและก็พวกเราได้ศึกษาดูแล้วว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงในการอยู่ด้วยกัน พูดยกออกมาทีไรก็เป็นที่ยอมรับอย่างศีลห้าของพยายาุทธิย่าวยาฆ่ากันนะอยาฆ่าโมยกันนะให้เคารพสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันนะอย่ากโกหกนะอย่าดืา่มชุราของมื่นเมาให้ขาดสตินะเนี่ยพวกเรานํามาวิเคราะห์ดูแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่า อ, อพวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละนะต้องมีการให้ทานเสียสละต่อกันนะอย่าไปเห็นแก่ตัวจนเกินไปนะนี่แหละจากนั้นก็ เรื่องศีลเรื่องสมาธิให้ดูจิตใจของตนเองนะอย่าให้จิตใจหลงละเริงหลงไหลคิดว่าร่างกายสังขารนี่จะอยู่โช่ฟ้าดินชลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะให้พวกท่านทั้งหลายคิดเอาไว้ล้วนแล้วจะเป็นทำคำสอนที่กล่าวเตือนย้ำพวกเราให้ไม่ให้ลืมตัวให้ระลึกถึงคุณงามความดีให้ระลึกถึง ผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถึงท่านจะล่วงรับดับขันไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติที่พวกเราเบางท่านบางโคก็ได้ทาไร่ทำนาเลี้ยงชีพของพวกเราก็คือนะ่ะคือปู่ย่าตายายที่ท่านขุดหัวหลักปักหัวตอทำคันไร่คันนากว่านที่จะเป็นไร่เป็นนา ไอ้พวกเราขึ้นมาซุบมือเปิบนะลูกหลานนะแต่ขนาดนั้นก็ยังขี้เกียจทำนาอีกต่างหากแต่คนที่เขาปักเขาทาแต่ที่แรกนะเขาทกยากขนาดไหนก่อนที่จะเป็นไร่เป็นนานี่ก็เหมือนกันพวกที่เป็นพ่อค้ า, พ, าพ่อขายก็เหมือนกันอยู่ในเมืองนะกิจการร้านร้านค้าทงหลายพ่อแม่ข้องเราก็ปลูกฝังเอาไว้ถือทอดเอาไว้พวกเราก็มาได้ทาการทางาน เรนมีอยู่มีกินก็เพราะว่าบุญบารมีของพ่อแม่ที่ทําไว้ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนะี่ยพวกเราอยู่เบื้องหลังเฉยๆเหมยๆเหมือนกับลิงได้กล้วยนะมันก็นไม่น่าจะถูกนะอลิงได้กล้วยได้ลเลยเฉยทานเราไปใกล้เนะีหญิงเขี้ยวซะอีกนะอันนี้ก็เหมือนกันนะัะนน่นเมื่อลูกหลานได้มรดกจากพ่อจากแม่แล้วอพวกเราจะทํำยังไงพวกเราก็ควรจะอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญบุญทิศสวนกุศลให้ท่านนั่นแหะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอุปกรณคุณทั้งหลายไปอยู่ณสถานที่ใดมีแต่ความเจริญท้าว่าผู้ที่ลาลึกถึงพักคุณผู้มีอุปกรณคุณถ้าว่าพวกเราเนรละคุณคนจะแล้วนะจะไม่เจริญนะลูกหลานนะมีแต่ความจีบหายจะเข้ามาสู่ตัวของเรา อยู่กับพ่อกับแม่ก็ดูถูกพ่อแม่ว่าโง่เงา่าเตาตุ่นดูถูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดูถูกครูบาอาจารย์อีกไปอยู่กับใครอยู่กับเจ้านายก็ดูถูกเจ้านายอีกคนนั้นมีแต่ความจิบหายเนะี่ยคนที่ไม่รู้จักปูญคุลของคนมีแต่ความจิบหายแนละลูกหลานนะ้า วันนั้นขอให้พวกลู ก, ล ก, ลกพวกหลานคณะสถานญาติโยมไปอยู่ในสถานที่ใดให้ลำลึกถึงพักคุณผู้มีอุปกระคุณกับเราเ อ, อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกเคยกล่าวนะแต่ว่าการให้คนนะลืมไมลืมได้แต่ผู้ใดให้กับให้ของกับเรานะอย่าลืมเนะ้อให้ระลึกถึงบุญคุณของเขาที่เราเขาให้กับเราแต่เมื่อเราให้เขานะ่ะอย่าไปคิดลืมลืมลืมดีกว่า เพราะเหตุไรจึงให้ลืมเพราะว่าท่านเราไปคิดว่า เ, ออเราเอาของให้เขาแล้วออทั้งที่เขาจะระลึกถึงบุญคุณกับเราเขาเฉยๆเมยๆเราก็เลยทุกข์ใจกับสิ่งที่เราเราให้ไปเพราะนั่นออครูบาอาจารย์หลวงตาทั้งหมดห้ลืมเวลาให้เขาแล้ลืมไม่ต้องคิดให้แล้วก็แล้วไปนี่แหละ อ, อแต่ถึงยังไงก็ตามผู้ที่ท่านรู้จักบุญคุณท่านจะไม่ลืม และลึกถึงลำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดที่ท่านได้ให้กับพวกเรานะอันนี้ก็คือผู้ที่มีผู้ที่มีน้ำใจที่เป็นผู้รู้พรนะคุณน่ะแต่ผู้ไม่รู้พระคุณก็อย่างว่านก็มีอยู่เหมือนกันนะพี่น้องลูกหลานสถาญาติโยมอย่างเทวทัต์นะี่ยพระพุทธเจ้าวบวชให้แท้แทนะ่ะยังจะมาฆ่าพระพุทธเจา้าเป็นพระพุทธเจ้าแทนอีกต่างหากนะมันมีนะโลกนะมันมีมากามากหลากหลายเหลือเกินนะ่ะ แต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ให้เป็นลูกศิษย์ของพุทธะก็แล้วกันให้ระลึกถึงผู้มีอุปกระณ์จะร่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งใจนะพี่น้องลูกหลานลตอเ น, นื่องไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรนะนัตนีเน่อุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้น้อมจิตระลึกถึงระลึอกอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณสําหรับพวกเราแต่ละคนแต่ละท่านนะ